สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศีรษะนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระเยซูตอนที่573นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของอุโมงค์ฝังพระศพของพระเยซูครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องอุโมงค์นะครับขอย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องของการที่พระเยซูสิ้นพระชนพี่น้องครับผู้เขียนพระกิตติคุณทั้งสี่นะครับก็คือมัทธิวมาระโกลูกาและยอห์นนะครับเขียนพระกิตติคุณเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่า เห็นถึงโยเซฟครับโยเซฟซึ่งเป็นชาวอาริมาเทียนะครับได้ขอพระศพจากปิลาตปิลาตไต่ถามในร้อยนะครับพอจนทราบว่าพระเยซูสิ้นมรชนแล้วก็อนุญาตให้พวกเขานําศพไปเพียงครับเราเห็นสองคนครับที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็คือโยเซฟชาวอาริมาเทียและก็นิโคเดมัสนะครับทั้งสองคนเนี่ยใช้ผ้าป่านและเครื่องหอมพันพระศพตามธรรมเนียมฝังศพของคนยิ่นะครับนี่ก็คือข้อพิสูจน์ครับ ชัดเจนครับว่าพระเยซูสิ้นพระชนแล้วแล้วพวกเขาก็รู้กันครับนะถ้าพระเยซูยังไม่ตายนะครับยังมีชีวิตหลงเหลืออยู่เนี่ยตอนที่เขาเอาลงมาจากไม้กางเขนชีวิตก็คงจะดับสิ้นไปครับเพราะมดยออและกรษศนะซึ่งเผ็ดฉุนและขมมากที่เขาใส่ไว้ที่พระกายและในผ้าที่พันรอบพระกายแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะครับเหมือนพันเข้าไปเหมือนตัวดักแด้ครับนียกลิ่นฉุนขมนะครับ และเผ็ดนะใส่บนผ้าเสียนผ้าพักนะครับโดยใช้ผ้า พ, พันผ้าเสียนนะเจอกับแผลถ้าคนที่สลบไปไม่ตายนะครับคงจะอยู่ต่อไปไม่ไหวเหมือนกันพี่น้องครับความพยายามอธิบายนะครับการเป็นเรื่องความตายโดยยืนยว่าพระเยซูไม่ได้สิ้นพระชนเพียงแต่สลบนั้นจึงใช้ไม่ได้ครับนะครับพี่น้องครับวันนี้จะพูดถึงอุมโมง เราพบนะครับว่าหลังจากที่พีเอซูหัวใจหยุดเต้นนะครับด้วยใจแตกครับนะและเลือดแข็งตัวนะครับเพราะการไหลเวียนของโลหิตไม่ปกตินะครับถ้าเป็นคนสลบก็ไม่ฟื้นแน่นอนครับในถ้ำที่ไม่มีระบายอากาศนะครับในอุโมงค์ที่เยือกเย็นนะกลิ่นฉุนของเครื่องหอมนะอุโมงค์ที่ปิดทึบค่าคนป่วยได้สบายครับเพราะว่าสมองของเขาน่นอยู่ในสภาวะหมดสตินะครับพี่น้องครับ นี่คือเรื่องที่ไร้สาระนะครับเรื่องที่น่ารังเกียจเพราะเขาไม่ยอมรับพระเยซูสิ้นพระชนจริงๆนะครับในเช้านี้มาดูที่อุโมงค์ครับอุโมงค์นะครับน่าสนใจมากเป็นอุโมงค์ฝังศพนะครับคําว่าอุโมงค์ฝังศพนั้นปรากฏอยู่ในพระคดีคุณทั้งสี่เล่มถึงสามสิบสองครั้งด้วยกันที่บันทึกเกี่ยวเรื่องการเป็นขึ้นในความตายของพระเยซูได้พูดถึงตั้ง สามสบสองครั้งแสดงว่าอุมโมงค์มีจริงครับนะครับอุมโมงค์มีจริงนะเพราะเนื่องจากว่าท่านซราบไมครว่ามีบางคนเนี่ยบอกว่าพระเยซูไม่ได้ถูกฝังไว้ในอุมโมงค์หรอกนะจึงเป็นข้อกล่าวหานะครับหรือสมมติฐานอันเป็นเท็จเพราะอะไรครับเพราะว่าในบัมปีบันทึกชัดเจนว่าพระเยซูถูกฝังไว้ในอุโมงค์แต่คนที่ไม่เชื่อบอกว่าพระเยซูนั้นศพของพระองค์ถูกทิ้งนะครับให้แรง้งให้กากินนะ เพราะว่าเขาบอกว่าในสมัยนั้นนะครับก็มีหลายเกรณีที่ปล่อยผู้ที่ถูกตึงไม้กางเขนแขวนอยู่อย่างนั้นเพื่อเป็นเหยื่อของแรงการและสัตว์ป่าแต่พี่น้องครับชาวยิวไม่ปล่อยให้คนยิวอยู่บนไม้กังเขนแล้วกลายเป็นอาหารของสัตว์ป่าแน่นอนเพราะว่าชาวยิวนั้นมีกฎบัญญัติของโมเสสเกี่ยวกับเรื่องของต้องฝังศพคนตายทุกคนนะครับเพราะการฝังศพคนตายทุกคนนั้นถือว่าเป็นข้อปฏิบัติ ตามศาสนาครับและด้วยเหตุ น, นี้นี่เองทําให้เรามั่นใจว่าพระเยซูชิ้นพระชนจริงและถูกฝังไว้ในอุโมงค์ครับตามที่พระเยซูสอนและในวันที่สามโปรงก็เป็นพี่นใหม่พี่น้องครับการตัดเรื่องกุโมงฝังศพและบอกว่าอุโมงฝังศพไม่จริงก็เป็นการทําลายสิ่งที่พระเยซูทรงจัดไว้ก่อนล่วงหน้ามาแล้วพี่น้องครับความจริงนะคืออะไรนะครับ ความจริงอยู่ในพระวจนะของพระเจ้านะครับหลายหายครั้งทีเดียวนะครับถ้าหากว่านะครับพระเยซูไม่ได้สิ้นพระชนการตรึงพระองค์ก็ไม่มีประโยชน์นะครับและถ้าพระเยซูไม่ได้ถูกฝังไว้ในอุโมงนะครับก็ไม่มีความหมายในขิอมีข้อต่อไปเพราะว่าเราเชื่อถือและยึดในสิ่งที่พระเยซูตรัสด ไ, ได้เพราะฉะนั้น พระเยซูจึงไม่มีเครดิตพอที่เราจะเชื่อและไว้วางใจครับแต่ในทางกลับกันครับถ้ามีอุโมงค์จริงมีการสิ้นประชนจริงมีการเป็นขึ้นนความตายฟื้นคืนประชนจริงนั่นแสดงว่าพระเยซู จ, จะต้องเป็นคนที่เราไว้วางใจได้ครับและเราเชื่อมั่นในพระองค์ได้พี่น้องครับถ้าเพชค่านะครับนำพระสบไปทำไมในพมพีจึงมีเรื่องราวการเตรียมพระพมากมาย นะครับถ้าโยเซฟชาวอาริมาเทียและนิโคเดมัสไม่ได้เป็นผู้ดินนำพระศพไปนะครับทำไมพระกัมภีร์มัทธิวบทที่ยี่สิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดนะครับได้บันทึกว่ามีเศษทีคนหนึ่งมาจากบ้านอาริมาเทียชื่อโยเซฟเป็นศิษย์ของพระเยซูเข้าไปหาปีลาศขอพระศพพระเยซูปีลาศก็สั่งให้มอบแก่เขานะอันนี้ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงพี่น้องครับทาไมนะครับ ยังมีเรื่องราวพวกผู้หญิงจะไปเฝ้าดูโยเซฟอาริมาเทียและนิโคเดมัสเต็มและบรรจุพระศพของพระเยซูในในลูกาบทที่ยี่สิบสามข้อห้าสิบห้านะครับชัดเจนว่าผู้หญิงเหล่านั้นครับตามไปดูครับประการต่อไปก็คือเราจะมองข้ามข้อสังเกตต่างๆเกี่ยวกับตัวอุโมงค์ได้อย่างไรนะครับเช่นอุโมงค์ใหม่อุโมงค์งที่สกัดไว้ในศิลาอุโมงค์ที่ยังไม่เคยฝังจบผู้ใดเลยนี่นะครับ เป็นอุโมงที่อยู่ในสวนเห็นไหมครับพี่น้องครับบันทึกอยู่ในมัดทิวยี่สิบเจ็ดมารโกสิบห้าลูกายี่บสามยอนเมื่อที่สิบเก้าบันทึกไว้อย่างนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นมัดทิวนะครับระบุว่าเป็นอุโมงของโยเซฟยอนบอกว่าอยู่ในสวนอยู่ในตำบลที่พเปียสูถูกตรึงนะครับผู้เขียนพระกิตติคุณยกเว้นมารโกคนเดียวสังเกตเห็นว่าอุโมงนั้นยังใหม่อยู่นะครับเห็นไหมครับพี่น้องครับอุโมงก็มีอยู่จริงครับ นะครับอุโมงเจาะไว้ในศิลานะครับเป็นอุโมงเจาะอุโมง์นี้เขาไม่ได้เจาะลงไปในแนวดิ่งเหมือนหลุมหลุมศพนะครับของชาวตะวันตกแต่เจาะในแนวนอนครับเข้าไปในหน้าหนาผาหินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอุโมงฝังพระศพทําไมคนยิวขอให้ปีราศวางยาไว้ที่อุโมงฝังพระศพพระเยซูเห็นไหมครับเี่ยแสดงว่าอุโมงจริงมีจริงครับน่ะ แล้วเราจะที่ใบกับการที่พวกผู้หญิงไปอุโมง์ฝังศพภายหลังวันสบาโตนะครับคือรุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์วันอาทิตย์นะครับเขาไปทําไมครับถ้าไม่ได้มีอุโมงจริงนะครับและไปโตกับยอนะครับพากันวิ่งไปที่อุโมงฝังศพนะหลังจากที่รู้เรื่องราวจากพวกผู้หญิงเห็นไหมครับเขาวิ่งตรงไปไหนครับตรงไปที่อุโมง์ฝังศพครับนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ครับ เป็นสิ่งที่เรามั่นใจได้ว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนจริงและทรงถูกฝังจริงนะครับมันก็จะไปถึงความหมายของพิธีบัพติศมาครับนะครับตายนะครับตายกับพระเยซูฝังนะครับร่วมกันกับพระเยซูและฟื้นนะครับฟื้นขึ้นมาพร้อมกับพระเยซูตายฝังฟื้นนี่คือความหมายของพิธีบัพติศมานะครับความหมายหนึ่ง เพราะฉะนั้นผมอยากให้พี่น้องนะครับรวมทั้งผมด้วยนั้นที่จะไว้วางใจในพระคุมพีครับนะครับไว้วางใจว่าพระคุณพีนั้นเป็นพระโอษะของพระเจ้าถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นตไม่มีข้อผิดพลาดครับแต่เมื่อถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นตะครับในชีวิตพระเยซูถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ตามบอสซาแล้วจะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นตในชีวิตของพวกเราด้วยครับอาเมน